และให้หฟังเสียงซ้ำเนียงเอิน<ไ>ปเป็นจังหวะลำเพลินพี่ชายเอินเขามาใส<ห>พวกสาวมอตเตอร์ไซค์ให้มาฟังพี่เอิให้เชิญดิมแม่นสงมา ส้ำใอีกซ้ำแสงหน้าบัถอยเ่าซ้ำน้อยเขาเหอมอเตอร์ไซค์ตกสมัยชายาเดินบนบัเดินกันซ้ำไพยั่งจำสองขาคือเก่าเขาพมองหอดหน้าบวจาเบามือเอ้ยังสิเตยเขาบเอ้ยน้ำเข้าเสาเขมรน้ำลดไปชนใจมอเตอคุณเธอเบายามเข้าวากะจอกแนบบังอกเซซ้ำกับแค่ม่เธอคุณเธอกี่ยามาน้องจากาวา สีน BER ้ำตาลผ่านลงลำคลองส่วนสีน้ำตาลผ่านลงลำคลองผมเลยจ้องตามองเดี่ยวเบิ่งผมเลยจ้องตามองเดี่ยวเบิ่งเห็นเบุนพอดสาเนึองขาข้างใส่ผมว่าสิกลมาลงซอยสงยายเห็นพนนินทาเข้ากับเราเลยงงเจเพื่อใจเว้าเห็นเขาลงซอยอยากกัดลากหน่อยหน่อยของเจ้าเบิ่งเด้ถ้าบโเกี้กะยาสิเฮกันไหลก็บัทาเธอจวนแต่จังหม่มาจ่าวเสือน้องอยาคาน้องบ้าบินยังแป่นดินกะโพอขัน มอเตอร์ไซค์เสาผููมือเขาขี่มอเตอร์ไซค์บาชักไปจับอะไรกันดีไรไต้เดินน้องใหย่องฟังไอแน่ก่อนสีไปแลงเดี่ยวให้มองหน้าเบื้องหลังให้เจ้ายังมือแนเดินนั่งเดียวสิ่ข้างอ่อยอ่อยเปล่อยเบื้องผีจอยตาของไปเห็นสาพ้อยสิ่งแรงรถสีแดงอีกดำดำปื้ววางขาอุ่นฮอนด้าแลนกินล้มสังมสมใจได้ยักเอะไปน้ำคนส้นกันจอยสาวบ่อยสิ่งแรงนอตาแข็งอ่างมางทาง่อยต้องดู ผูนั้นมันอะไรผู้นั้นมันอะไรเสามอเตอร์ไซค์อันใหญ่จริงๆริงรงดูแล้วแนวใดก็บอว่าลิงดูแล้วแนวใดก็บอว่ า, วววายังก็เปิดอาซาฮอนด้าผู้ดังซาแตกฟังดังทั่วแดนไก่ว่าสามอเตอร์ไซค์ไซคอ่านไปพร้อมไปยอมทอมซูซูกิไปยอมทอมซูซูกิดำรีกีแซงกาวา่าเธ อ, อยาฮอนด้ามาแรง มันด่ามาแรง่อยให้เขาแสงอนอตะแขงร้องบึ้งบึ้งเสืงสาวยาม า, ากาวาสาวหน้าบ้านดูที่สู่สาวบ้านรงหวานที่สู่สาวบ้านตรงหวานไปตามต้นตันละอีหยังคาบอันที่หยังเต้นมายร้อนก่อนผ้าวอนมเจ้าอย่าเครียดไงก่อนผ้าวอนมเจ้าอย่าเครียดไงให้ร้องว่างบับ อ, อ้จ๋าตันแนเด้อยาสีเสง้อกลื้อเบอร์กันไหลก็ยังพสายเกินต้องควด่วนไต้ผู้เด้อนองนไต้ผู้เด้อนอง